เออเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรกู พ, พาเลยไอ้อฉันมาสองเดือนเลยยังไงอันนี้ที่ท่ายที่ก้าอะหวยออกเออเล่นตามเรื่อยประโยชน์จะตา ย, ตายออกยีเก่าอาญาโยมพุทธบริษัท วันที่ที่ยิบเก้ากุมภาความจริงมาในรายการนั้นเป็นมีนาสำหรับเสียงพูดออกเสียงได้ก็บบนตัวแล้วนะไม่เชา้านแย่วันนี้ก็มาเริ่มต้นแนะนำในการจแสดงกรรมฐานเสียงไพ่แล้วการมาไอสายลมขวัญดาญย่าโยมพุทบริ ษ, ษัทตรวจสบเวลามันสั้นเข้ามาแล้วนะ ร่างกายไม่ดีถ้ามันเป็ น, นหนักๆก็มาไม่ไหวทุกคนที่รับฟังไปแล้วทุกอย่างการแนะนำพระธรรมฐานก็จะแนะนาทุกอย่างวนไปวนมาวนมาวนไปให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติไว้เพื่อความสุขของตัวเองสักวันหนึ่งทั้งหน้างคงจะมาไม่ไหวสำหรับวันนี้ ก็ขอขึ้นต้นกอไก่ขอไข่ให ม, หม่ดีไหมดีไม่ดีก็ยังดีก็ลืมแล้วเนะขอขึ้นต้นใหม่คําว่าขึ้นต้นนี่หมายความว่านับตั้งแต่พระเจ้าสมรู้อภิเศสมาธถมุติยานหลังจากสงเคราะห์ปัญญากีเรศีทั้งห้าแล้ว ต่อมาก็เดินมาส่เพระอีกคนอีกสองสามพวกจนกระทั่งชา ด, ดินใป็นพวสุดท้ายต่อมาก็มุ่งเข้าตรงเอ้ไม่ใช่กรุงวินพัฒ์เนี่ยนะเมืไรนะพระเจ้าพิมสารนะ่ะพระเจ้าพาินสารอยู่เมืองไหนฮะเรื่อยๆเลยไอยเก่งว่ฉันนึก ไ, ไม่ออกเพราะว่าตั้งใจมาปลดพระเจ้าพินสานพรรับคําไว้ ว่าเมื่อพระเดชออกมาทำเศืสกลใหม่ใหม่ผ่านมาทางนั้นพระเจ้าวิมินสายก็มีคิดว่าคนจะแตะคอกับใครคนใดคนหนึ่งในฐานะที่เป็นเพื่อนกันในกรุงรบินพัฒน์จึงหนีออกบวชนีมนต์ในพระเจ้าอยู่ร่วมเป็นกษัตริย์ร่วมกันแต่ว่าพระเจ้าไม่ทรงรับปากบอกว่าที่มานี้ไม่ใช่แตะคอกับใคร มาเพื่อจะต้องการบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณต้องการให้พ้นจากความทุกข์พ ร, ระเจ้าพิมพิสารยัรัตนาเพราว่าถ้าบรรลุผลแล้วเมื่อไหร่ข้า ต, ตัวองค์ก่อนดังนั้นองค์สมเด็จพระจินดารัเมื่อเดินมาถึงจึงตั้งใจตร ว, วจพระเจ้าพิมพิสารขณะมอประพักอยู่นอกเมืองมีมีคนเ ข, ขาเข้ามาแจ้งให้ทราบ พระเจ้าเป็นมิสารยังเสด็จไปพร้อมกับคนหลายหลายเจ้าพวกอัาหมายคืออะไรจะปฏิพันธ์บ้างแล้๋ยวเดี๋ยวปฏิวัติกันนะพอไปถึงตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศเทศว่ายังไงเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบคนส่วนใหญ่เป็นมิสัยพระเจ้าเป็นมิสัยมิต้นเป็นปสดาบัน แก็เหลือคนกลุ่มน้อยไม่กี่คนนักเข้าถึงพระไตรศนาคมรู้เรื่องไหมเั้าแสกเจพระพุทธเ จ, าไไจ้าเทพไัไงแต่ความจริงนี่เป็นเรื่องขึ้นต้นจริงๆเพราะว่าพระไตรศนาคมก็ดีพระโสดาบันก็ดีอยู่ด้วยกันนี่ที่เราเรียนเรียนมากไปนะ เมื่อชันนุ่มๆันก็เด่นมากไปเชื่อแก่ลงครารู้หายไปเรียนน้อยเป็นทีแล้วพระเจ้าพระพุทธเจ้ากระสงเทศเรื่องถือว่าถึงพระไตรศนาคมคือถึงพระเจ้าไปรตพึ่งพระธรรพระธรรมเปรตพึ่งพระสงค์ไปรตพึ่งแล้วก็ให้มีสินห้าบริสุทธิ์โด่เฉพาะอย่างยิ่งทางเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง ถมีสินห้าเป็นบริสมีสินห้าบริสุสสอย่างนี้คือว่าเข้าถึงไตรสนาคมคำว่าไตรแปลภาษาสนาคมแปลที่พึ่งที่พึ่งสามอย่างที่หนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระ อ, อริยสงฆ์ทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาญาโยมพุทธบสัตว์เวลาจรับสินเมื่อตั้งนามโมเสร็จพระพระก็บอกว่าพุทธทางสนังกระชามี เขาจเจ้าถึงพระพุทธเจา้าเป็นนิพพงทำมังสนังระฉามิเขาเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นนิพพงสังฆังสนังระชามิเขาเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นนิพพงพ ร, ระก็บอกว่าถ้าญาติโยมต้องการให้เป็นนิพพงให้ปฏิบัติตามนี้นะหนึ่งปานาปิปาตาเวรมณีอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าเพิกเฉยในกรรมอย่าพูดมุสาวาตอย่าดึงสรามีไร <c oughs> แล้วก็บอกอั น, นิสงส์ตอนท้ายว่าสีเลนสุกติยันติถ้าเป็นคนปกติเรามีสินอย่างนี้เราจะมีความสุขทั้งชาตินี้และชาติหนา้าสีเลนะโพกสมมาทาถ้าเรามีสินบริสุทธิ์จะมีความสุขในทรัพย์สินทั้ชาตินี้และชาติหนา้าสีเลนะนิพุติยันติถ้าเรามีสินอย่างนี้ได้ขัน้นพันได้ตือง่าย แต่สมสยัยที่ราเรีโสตยีเพราะฉะนั้นพวกเราพากูพากันรักษาสิ่งนี้บริสุทธิ์ที่ข้อสุดท้ายที่เรียนนิพพิงยันติตัวนี้นะถ้ามีอยู่จะเป็นประโสบดาบานันถ้าตัวนี้ยังไม่ไม่งคงเปลนใดเชื่อเข้าถึงใต้สนาคมพูอย่างนี้ยังผมไม่รู้เรื่องนะอันไหนทีนะ การเข้าถึงไตรส น, นาคมก็คือนึกขี่พระพุทธเจ้าพระรัตพุทธเจ้าประทับพระอริยสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วพรพระพตไตรสนาคมแล้วจิตใจวุ่งทันทีผ่านโดยตรงอย่างนี้ท่เรียกว่าโสดาบันฉะนั้นความรู้การเข้าถึงรไตรสนาคมก็ดีแล้วโสดาบันก็ดีเราไปรัฐ ม, มูุญทุกว่าแต่ฟังทุกวัดเนี่ยฟังเปล่า มีไหมพระท่านกบอกทุกวัดนะแต่ข้อสาคัญมีว่าบางทีองค์บอกยังไม่รู้เลยไอคนฟังจะรู้ไม่รู้ไม่ไมากมันต้ตองเจอก็เป็นนั้นว่าวันนี้ขอขึ้นต้นกันปฏิบัติกันแบบง่ายๆตามที่พู้เจ้าทรงสอนความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นปฏิบัติไม่ยาก มั่งไม่ต้องใช้อะไรมากอันดับแรกคำว่าสมาธินี่ต้องมีสมาธิต้องต้องมีก่อนอะไรอื่นทั้งหมดแล้ว ก, การที่สองปัญญาต้องมีปัญญาต้องมีก่อนสมาธิแล้วยุ่งเลยดิมตอนต้นเรดีนะมาตอนนี้ยุ่งอะไรนะคําว่าปัญญาความรู้ดีรู้ชอบ รู้อะไรชั่วอะไรดีมันต้องเกิดขึ้นก่อนคนในื่อเราถ้าเมื่อมีปัญญาแล้วจึงจะมีความเคารพในศีลถ้าไม่มีปัญญาการเคารพในศีลก็ไม่มีในเมื่อมีปัญญาและจิตเคารพในศีลในเมื่อศีลประจัใจเราจิตก็ดียเย้นมีสมาธิ เมื่อสมาธิเกิดปัญญาอีกตัวก็เกิดปัญญาตัวหลังในปัญญาตัวตะกิเลตปัญญาตัวสุดท้ายนะพูดอย่างนี้ยังวุ่นะอีกเลเอใหมายอา้ามายากกว่านีนะ้อันดับแรกมึงใช้ปัญญาพิาจารณาว่าพระเจ้าดีไหมพระธรรมดีหรือเปล่าพระสงฆ์ดีไหม พระสงฆ์เลือกเอาเฉพาะพระอริยสงฆ์เทราะว่าพระสงฆ์ที่เป็นปุตรชนย่อแน่นอนไม่ได้และกการที่สองสินที่พระเจ้าสอนไม่ดีไหมใช้ปัญญาพิจารณาก่อนเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาก่อนเห็นว่าพระเจ้าแทงก็ดีะธรทมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีสินก็ดีดีทั้งหมด เราก็ต้องส่งสมาธิจิตคำว่าสมาธิเราการตั้งใจมัน่นตั้งใจคิดว่าเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจเราจะยอมรับนับถือพระรธรรมด้วยความจริงใจถ้ายอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ <c oughs> เราจะรักษาสิ่งในบริสุทธิ์นี เมื่อจิตใจทรงแบบนี้แต่เดียวมีสมาธิการยอมรับนัตถุพระเจ้าเป็นพุทธานุตติกรมฐานยอมรับนัตถุการรมเป็นธรรมานุตติกรรมฐานยอมรับนัตถุพระอริยสงฆ์เป็นสังขานุตติกรรมฐานตั้งใจปฏิบัติสิในีบริสุท์เป็นสีรานุตติกรมฐานถ้าเพียงเท่านี้ถือว่าทุกท่านเข้าถึงไตรสนาคม พบทวนนะแล้วคนที่เข้าถึงพระใตศสนาคมอย่างนี้แล้วไม่ลงนรกแน่นอนอันนี้มันหงุดหงิดอีกนิดหนึ่ง <c oughs> การนึกถึงพระพุทธเจากก้าก็ดีนึงถึงพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีไม่หนักใจนักแต่หนักใจตรงศีลเห็นไหมแ้่ว่าพวกผู้หญิงนี้ศีลข้อที่สี่ไง ฉันพูดตึ้งสิ่งข้อที่สี่จะไม่พูดภสาว่าดไม่โกหกจะพูดไว้ควรจะจริงยังไงผู้ชายก็สิ่ข้อที่ห้าผู้ชายทั้งจนที่ที่ห้าที่สี่ส 4, เสร็จในตัวเสร็จในเมื่อสิ้นแล้ไม่ควรจะบริสุทธิ์คําว่าเข้าถึงไตรสนาคมก็ไม่ครบถ้วนก็เหมือนกับเรามีเรืออยู่ลำหนึง่ง เรือลำมันใหญ่แต่ลูกไฟศักด์มันหลุดหรือลูกหนึ่งน้ำไหลเข้าเรือถ้าเราไม่อุดเรือก็ล่มน้ำเต็มลำใช่ไหมข้อดีเช่นใดในการรักษาสิ่งก็เหมือนกันถ้าสิ่งข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องเราก็ลงนลรลกได้จะถือว่าหดือสี่ตัวค้านะมันไม่ใครกนหรอกมัน่ปิดปหผยจงมาตั้งกำลังของมันนั้น ต น, นี้ถ้าเราต้องการคิดว่าเราจะไม่ยอมลงนรกเราจะทำยังไงก็ในจำนวนพระสามองค์คือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระอริยสงฆ์เล้ อ, อีกข้อหนึ่งสินไม่แน่นอนนักนะเอาพระสามองค์นี่แหละเอาองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะหรือจะเอาทั้งสามองค์ก็ได้ตามใจชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถือว่าเป็นการเจริญพุทธานตุติธรรมฐานถ้าใช้ศัพพสาวีฟังยากฟังล้วมัยากนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ยอมรับแะถือท่านแต่เพื่อเป็นการกันลืมก็ใช้ศัพพสารง่ายๆ <c oughs> ให้ภาวนาว่าพุทโธ ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทเอาอย่างนี้นะทุกวันถ้าเวลาของเรามีน้อยก็ใช้เวลาก่อนจะหลับเมื่อทิสะถึงหมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบนี่สำหรับท่านนี้ไม่ได้มโนจิตินะเพราะทีนั่นมโนจิติเขาได้กําไรมาก นึกถึงพระวุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาพุทธโธให้ใจเข้านวพุทธญญาออกนวัฏฏโธท่าสองสามครั้งก็ได้ตามความพอใจมากก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปอง์นั้นอีกแล้วภาวนาพุทธโธอีกทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งถึงวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสได้ทํา เพราะนั้นนำขันต้องทําวิธีทําก็ไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิก็ได้กลางวันทั้งวันเรานื่อยเหนื่อ ย, นอยในการงานมากก็นอนเวลาจะนอนก็กราบหมอนทักสามครั้งนึงกกราบพาระเจ้ากราบพระสัทธรรมกราบพระอรดยตสงหลังจากนั้นก็พอโอ้โหถึงหมอนก็นอนภาวนาพุทโธทําอย่างนี้เพียงแค่สองสามครั้งแล้วก็หลับ ถ้าตื่นขึ้นมาใหม่เอาอีกะอะถ้าแบบนี้จะต้องมีการชินวันไหนถ้าไม่ได้ภาวนาพุโทโธนั้นสำคัญไม่สบายใจไม่ได้ต้องภาวนาอย่างนี้ถือว่าทรงชาในพุทธานุสิกรรมฐานถ้าโรงขงท่านทรงชาในพุทธานุสิตกรรมฐานแล้วถึงว่าสิชินมันจะขาดมันจะบกพร่องบ้างถึงยังไงก็ตามตายแล้วต้องไปสวรรค์นแน่นอน เอาแค่สวัสก่อนนะนจนเนี้พูดก็ได้กินนาทีก็ไม่ทราบในเสียงฉะนั้นจสมมติว่า ท, ทุกคนสามารถทรงใจสานควมในฟันกทวนพระรพุทธเจ้าก็ยอมเคารพพระธรรมก็เคารพประสมก็เคารพสิ่งก็เคารพไม่ทำมิดในสิ่งน่าจะลืมอันนี้สองตัวสุดท้าย ทถ้าจะให้สินและจะบอกสีเลนสุกติยันติเนบอกนิสงศิลเป็นปัจจัยจะมีความสุขทุชาติในิสชาตินาสีเลนโพกสมมทาถ้าเรามีสินด้มีความสบายใจในทรัพย์สินทุชาตินิสชาตินาสีเลนะเลนะสุกติยันติสินเป็ัจัยเข้าถึงวัตถุภานได้ง่าย แล้วก็ตัดสินใจว่าในเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีสินแล้วแล้วควรจะไปะนิพพานตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าถ้าเราตายชาตินี้ขอไปนิพพานจุดเดียวไม่ขอเป็นชาตอื่นอีกทั้งนี้ต้องเข้าไปคิดใช้ปัญญาพิจารณาดูใช้ปัญญาเจนาร า, นานก็ใช้วิปัสสนาญาณในอริยสัจเพื่อการเกิดเป็นสุขและเป็นทุกข์ เราถ้าเรามีปัญญาจริงๆเห็นว่าการเกิดเป็นคนนั้นไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์พลืมตายขึ้นมาตอนตอนตื่นใหม่ๆก็เริ่มทุกขแล้วลืมตายขึ้ใหม่ๆดีไม่ดีเท่าแก่ไม่ทันร่างหน้านะเอาสุ่มแล้วให้ตัวทุกข์มาได้ใช่ไหมการปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นทุกข์ความหิวความกระหายเป็นทุกข์ การประกอบกิจการงานหน่ายยากมีเป็นความทุกข์ <c oughs> การป่วยไข้ไม่ส บ, บายเป็นความทุกข์ความแก่เข้ามาถึงเรามีความทุกข์ความทักท่าว่าเจ้ของนักของชักใจเข้ามาถึงเราเป็นความทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงเราก็เป็นความทุกข์เมื่อาตายแล้วมีสาภาพไม่สูญถ้าสูญก็หมดเรื่องมันไป เราตายแล้วมีสภาพศูนย์แล้วก็ไม่ต้องรักษาสิ่งไม่ต้องทําถึงใต้สนานคมไม่มีความทุกค์ันเมื่าตายแล้วมันไม่ศูนย์ถ้าอารมณ์ข อ, องเราเศร้ามอง <c oughs> ตายจากความเป็นคนก็ไปอบายภูมิหนึ่งเกิดเป็นสัตว์นรกสองเป็นเปรตสามเปสุรกายสีเป็นสัตว์ปิชาณถ้าเกิดเป็นคนก็เป็นคนมีความทุกข์ยากลำบากมาก ถ้าจิตเราจิตใจเราไปกุศลมีความเจื่อใสก่อนจะตายเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปสวรรค์เป็นต้นหรือ ไ, ไปพมทธมรรคหรือไปนิพพานถ้าไม่ไปที่ไหนก็ตามมันก็เป็นสภาพไม่เที่ยงแท้น่นอนอยู่ไม่นานถ้าไปสวรรค์หรือพุมธมรรคมาหมดบุญก็นสนานบาดนี้จะกลั บ, บ ม, ามาทุกใหม่ถ้าไปนรกมันก็ต้องทุกข์นานหน่อย อย่างนารกขุมที่หนึ่งใครสมัครไปมั่งนรกขุมที่หนึ่งเขาเรียกว่าสัญจีวนรกเวลาของเขาเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาไปไหมควรจะไปนะจะจะไปอยู่นะในดูเขาเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขา แล้วก็มีสามสิบันเป็นหึงเดือนอีกสองเดือนหนปีเหมือนกันนรกคงนี้มียุห้าร้อยปีนรกถ้าใครหล่นป๋อมลงไปนะห้าร้อยปีนรกเลยไม่ให้รอปีเราวนะเอาไปชาติที่จริงๆเก้าล้านตั้งเอาสามสิบคูณถ้าก็12สองคูณไดเท่าไหร่แล้อให้แล้วก็ห้าร้อยคูณเจ็ด ก็เป็นว่าคําว่านรกเราก็ไม่น่าจะไปอีกทั้งนี้เพราะอะไรคําว่าไม่น่าจะไปอีกเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้ชนายการนรกมาแล้วคนที่ไม่เคยตนนรกไม่มีอที่นั่งที่นี่ไม่เชื่อถามาไม่ใจยอมดูเชื่อไหมไมเชื่อไปถ า, ย า, ย ด, ปถาดูนะแล้วก็คนทุกคนที่มานั่งที่นี่ ไม่เคยเกิดบนสวรรค์ไม่เคยเกิดเป็นภมก็ไม่มีสวรรค์ก็ไปไปมาแล้วภพก็ไปมาแล้วแต่ก็อาศัยบุญยังไม่เต็มอัตราที่เรียกว่าบารมียังไม่เต็ม <c oughs> ยังต้องเวียนว่ า, ใายใจเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าตายแลยย้วแต่ใบยภูภพก็ถือว่าขาดผุญมากไม่ควรจะกลับไปอีก ฉะนั้นขอให้ทุกคนปฏิบัติตามแบบคณาของพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าพิมิสารฟังเทศจบเรียวคณะของท่านทั้งหมดเกือบทั้งหมดดีนิดเดียวเป็นประสดาบันเขาเป็นได้อย่างไรงเป็นประโสโดาบันก็มีสินห้าบริสุทธิ์คราะพระพุธเจ้าพระธรรมพระสงค์มีจิตใจมุง่งปฏิพานเป็นอารมณ์ทันนี้เอง ถ้าบุคคลบุตรใดถ้าหาก็าไม่สามารถจะทรงสิห้าได้ครบพก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ยึดไปโดยเฉพาะว่าเราจะไม่ลืมทุกวันนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาไว้ระหุโธเมื่อจับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบใจนี่ว่าองค์นี้คือองค์แทนพระพุทธเจ้าสถือว่ศาท่านเป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อทุกคน ท่ามีจิตบกเร่องในข้ออื่นแต่ว่ามีความมั่นคงในพระพุทธเจา้าก่อนจะตายก่อนจะตายทุกคนจะเห็นพระพุทธเจา้าเห็นพระพุทธเจา้าองค์จริงๆนะไม่ใช่องค์ที่เรานึ ก, กว่าอาจารย์จะมองดูนะอันดับแรกภาพองค์เดิมพระพุทธรูปองค์เดิมจะปรากฏก่อนถ้าต่อมาเมื่อจิตเป็นสุข พุทธะโลกนั้นจะค่ยๆไกลาจากความเป็นพุทธรูกเป็นพระสงฆ์พระเจ้าก็มีลักษณะหน้าตาเป็นพระสงฆ์ธรรมดาเราในเองไม่ใช่มีเปลวล้ำแหลมนะในเขาตั้งหาสมมติเอานะจริงๆแล้วถ้าเกิรูปร่างเป็นพระสงฆ์ตามธรรมดาของเราในเองแต่ได้เมื่อเป็นปรากฏในภาคของเราี่ปรากฏ ถ้าเวลาด้านจิตยังเห็นพระเจ้าอารมณ์ยังเป็นสุขมากขึ้นเมื่อาอารมณ์เป็นสุขมากขึ้นมันจะเลืมทุกขเวทนาทุกเวทนาที่กาลังป่วยอยู่หนักไม่จะคลายอารมณ์อารมณ์นั้นมันไม่คลายทุกเวทนาไม่คลายจต่อารมณ์มันเลื่องออกอารมณ์ไม่สนใจกับทุกเวทนาจะสนใจพระเจ้าโดยตรง ตอนนั้นก็เห็นพระเจ้าเขเคลื่อยตัวไคลองค์ไปจากความเป็นคนธรรมดาจะมีสัศพนองศีรทัศนีของการกลากฏถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์มากจะเห็นพระเจ้าป่านในผ่านถ้าจิตใจเราเห็นพระพุทธเจ้าจะนั้นจิตจะไม่ปล่อยพระเจ้าจะตายพร้อมกับภาพจิตจะภาพจะเห็นภาพจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าถ้าตายเวลานั้นอย่างน้อยที่สุดท่านก็ไปสวรรค์ ถ้าเมียรามั่นคงไปกลางก็จะไปพรมันโลกถ้าบังเอิญเรามีจิตคิดว่าเราต้องการมมมานมีวิภัณฑ์มีเมองแล้วคำว่าต้องการวนิพัณฑ์เรามีอยู่แล้วเวลานั้นก็ไปหันวิพัณฑ์ทันทีนี่ของง่ายนะอบันดาญาโยมพระตูปสิสตังไหลวันนี้พูดไป ม, มากแค่นี้ก็พอแล้วนะขอทุกคนตั้งใจเข้าถึงตจสนาคมอย่าลืมพระพุทธเจา้าประธรมพระอรียสง์ อย่าลืมสินห้าอย่าลืมพณิพาน์เป็นอารมณ์ถ้าบาคนจะไม่สามารถจะทรงสินห้าได้ครบถ้วนหายิตพระเจ้าเป็นอารมไมทุกคนตายจะไม่เป็นนรกตอนนี้ไปขอทุกคนตั้งใจสมาทานเสียนสมาทานรัมาทานอารมตั้นามโมสารจบเคร่องกันไปสวายสังฆทาน แต่ก็สงทั้งหลายผู้เจริญต้เจ้าทั้งหลายขอนมถวายพระพธบริาก่อนอาใจจีวรพร้ในของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่ก็สงเพรก็สงทั้งหลายโปรดรับพระพุทธบริาก่อน ข้าใจจีวรก็อในของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อ ค, ความสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายติ่งการนานเทิงานานสาธุ